บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องมารมาโดยลำดับซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงชัยชนะจนได้เฉลอพระนามว่าพระผู้วิชิตมารหรือวิชิตตมารก นำไปสู่การสร้างพระพุทธรูปจะเรียกว่าปางมาราวิจัยหรือปางชนะมันมันที่แปลว่าผู้ขัดขวางผู้ทำลายเป็นุปสัสสกหรือเป็นผู้ฆ่าแม้จะมีการจาแนกแสดงออกไปเป็นห้าประเภทแต่ว่าเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากกิเลสด้วยกันทั้งนั้น วันกิเลสมารจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นตัวสมุทัยที่นำความทุกข์มาสู่ชีวิตของบุคคลทุกระดับแม้ในตัวขันธมารมารคือเบญจขันธที่พูดโดยสรุปก็คือสรรพชีวิตทั้งหลายอันมีองค์ประกอบคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญานั้นพึงสังเกตว่า หากาใจของบุคคลไม่ไปเกี่ยวเกาะกับขันเหล่านั้นด้วยอำนาจของกิเลสแล้วขันเหล่านั้นก็ไม่เป็นมานเพราะ แ, แท้จริงขันมันก็เพียงสภาวธรรมต่านั้นเองแต่การที่ขันทั้งหลายมีอิทธิพลเหนือจิตใจของบุคคลได้ก็เพราะบุคคลไปกาหนดไปให้ความสำคัญแก่ขันเหล่านั้นหรือแก่ชีวิตเหล่านั้นหรือแก่สิ่งเหล่านั้น เรื่องน้าของความรักความชังหรือพูดอีกจำนวนหนึ่งว่าโดยความเป็นตนและเกี่ยวเนื่องกับตนโดยความรู้สึกทั้งสองประการนี้เองเวลาขันอันเป็นที่ตั้งในความรักใคร่พอใจเปลี่ยนแปลงไปความโศกก็จะเกิดขึ้นไปในจิตใจของบุคคล อ้ถ้าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมันก็มีความชื่นชมสมมานัดเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีมันก็เกิดความทุกข์ในตำนานตรงกรงนันข้ามคือคนสัตว์อันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเราเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเราก็จะเกิดความทุ ก, ทกข์มนัดเรแรงฤทธิยาอาฆาตแต่เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเรากเกิดความสมุขสมมนั ต้องการจะซ้ําเติมต้องการเห็นความทุกข์ทรมาร์ดร้อนของคนสัตว์เหล่านั้นเพราะจิตใจก็คนจึงต้องแกล้งไปตามอำนาจของความเปลี่ยนแปลงของขันทั้งหลายือพูดง่ายว่าของคนของสัตว์ทั้งหลายทําให้สูญเสียความสงบต้องขึ้นขึ้ น, นลงลงเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นคือเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยของเขาแต่ถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขา สิ่งเหล่นั้นก็เป็นภัยสักแต่ว่าตามเหตุปัจจัยใจเราก็แยกมาจากเขาความเดือดร้อนเพราะความเปลี่ยนแปลงหรือความดีใจเพราะการเปลี่ยนแปงแลงน่นกล่าวก็จะเกิดขึ้นไม่ได้สภาพจิตในลักษณะนี้ที่จริงแล้วไม่อยู่ในชีวิตประจำวันของบุคคลจะอานข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่เป็นความพิบัติเดือดร้อนในต้นนั้น บางครั้งก็เกิดดีใจบางครั้งก็เกิดเสียใจบางครั้งก็เกิดเฉยๆถ้าหากว่าขันเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ด้วยประการทั้งปวงแล้วคนก็จะต้องทุกข์อยู่เสมอไปแต่ว่าขันจะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับจิตที่กาหนดอารมณ์หรือกาหนดขันเหล่านั้นเป็นตัวการสาคัญ อย่าที่ทรงสอนไว้ว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันต่างันนั่นเองเป็นเดียร์ได้เกิดความทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงของขันในแต่ละขันจึงไม่ได้สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับเราเสมอไปหรือสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกัเราเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับการไปกําหนดอารมณ์ในขณะนั้นๆนะกราวไม่ได้ส่วนบุญบาปที่เรียกว่า อภิสักขารในส่วนของบาปนั้นที่จริงแล้วก็เป็นมารที่สากลคือทั่วไปแกส่สรรพชีวิตทั้งหลายที่ได้กระทำบาปไว้เขาจะรู้ว่าเป็นการกระทำบาปหรือไม่รู้ว่าเป็นการกระทำบาปก็ตามแต่ว่าโดยมโนธรรมสานึกระดับหนึ่งคนเราจะต้องรู้สึกวิตกกังวล ไม่สบายใจเมื่อกระทําอะไรให้เกิดความผิดพลาดขึ้นถ้าเราสังเกต ด, ดูความรู้สึกเหล่านี้แม้ในสัตว์เดรัจฉานมันก็มีเห็นว่าสัตว์เดรัจฉานที่สุนัขเป็นต้นซึ่งเคยต่อสู้กันเคยกัดกันแล้วแยกกระจากไปต่อมามาเจอกันเข้าก็าจะมีความหวัดระแวงต่อกันเราอาจจะต้องกัดกันอีกต่อไป นี่แสดงว่าความรู้สึกที่เก็บไว้ภายในใจของสุนัขทั้งสองฝ่ายหรือทั้งสองตัวนั้นไม่ได้ไว้เนื้อเช่วยใจต่อกันแต่ก็มีความบาดระแวงต่อกันเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็เคยประทุษร้ายกันและกันมาจิตใจของบุคคลแม้จะเขยมขดยังไงก็ตามเช่นพวกมือปืนรับจ้างเป็นต้นการกระทาของเขาน้เป็นบาปเมื่อเขาได้ทาไปแล้ว จิตใจเขาจะไม่มีความสงบเพราะเกิดความวิตกกังวลเกิดความบาดระแวงเกิดความไม่มั่นใจนั่นเป็นมานที่ปรากฏแก่ใจในขณะนั้นๆแต่ถ้ามองให้เป็นการเชื่อมต่อของมานทั้งสามประการที่กล่าวมาโดยลำรับนั้นจะเห็นได้ว่ า, ากุศลอกุศลเจตนาที่เป็นเหตุให้เขาเป็นมือปืนรับจ้างนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลส แต่ตัวกุศลนั่นเองก็เป็นสังขารขันซึ่งเกิดขึ้นปรุงจิตของบุคคลผู้นั้นให้มีความคิดให้มีการกระทำไปในลักษณะนั้นไอ้ตัวเจตนาที่ไปเหตให้กระทานั่นเองก็กลายเป็นบาปแต่มีผลก็เป็นความเดือดร้อนตั้งแต่เกิดความรู้สึกอยากจะฆ่าอยากจะลักอยากจะทำอันตรายไปต้นแล้ว แต่ว่าหลังจะทำไปแล้วอาการเหล่านั้นก็ปรากฏที่จิตมันติดอยู่ที่จิตอย่ายวี่ทรงแสดงถึงการติดตามไปของบาปปุญว่าเรือก็เงาที่ติดตามบุคคลไปในที่ต่างๆแสงสว่างจะมีหรือไม่มีในที่นั้นก็ตามได้จริงมันก็มีเงาอยู่ เพียงแต่ว่าบางช่วงบางขณะเมื่อเราอยู่ในที่มืดเราไม่เห็นเท่านั้นเองเพราะเรื่องบาปแะกุศลก็มีลักษณะอย่างนั้นคนบางคนเมื่อทำความชั่วความผิดไปแล้วอาจจะโยนความผิดเหล่านั้นไปให้คนอื่นแต่พอความชั่วเกิดให้ผลข้าวความสานึกความรู้สึกก็จะบังเกิดขึ้น อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลที่ทำความชั่วนั้นในขณะที่ความชั่วยังไม่ให้ผลรู้สึกวราสารใจรู้สึกสประสบายใจแต่พอความชั่วให้ผลแล้วเขาจะประสบความเดือดร้อนแต่ความเดือดร้อนที่เขาได้รับนั้นไม่มีใครสามารถที่จะแบ่งให้เขาได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคล้ายๆกับการทำงานบกพร่อง แล้วไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนเป็นต้นใครทำงานบกพร่องคนนั้นก็รับโทษกันไปหรือว่าคนติดคุกติดตารางเพราะการกระทำความผิดแม้ญาติพี่น้องเป็นที่รับเป็นต้นจะขอไปแบ่งแบ่งเบาการติดคุกติดตารางกันคนละเดือนสเดือนก็ไม่มีใครก็ยอมให้เพราะนั้นเป็นกระบวนการของกรรมที่ใครทำคนนั้นจะต้องได้รับเป็นตัวของตัวเอง เพิ่มจึงเป็นมานทุกขั้นตอนจนถึงมาในสังสารวัตรที่ทำให้ตกต่ำที่ท่านใช้คำว่าตก น, นรกที่จริงคำว่าตกอาการเหล่านี้ทำให้คนซึ่งศึกษามองใครคกร้ๆก็ตกจากที่สูงแต่แท้จริงแล้วสังสารวัตนั้นเป็นวัตจักเป็นวงกลมเป็นระบบจั ก, กรวานคือจะถือว่าอะไรอยู่บนอยู่ล่างก็มไม่รู้ แต่คำว่ า, าตกนั้นเป็นอาการตกของจิตคือจิตมันตกตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสเป็นเหตุให้กิเลสนั้นปรุงจิตถือควบคุมจิตบังคับจิตแล้วก็ทําให้ทําพูดคิดไปด้วยอํานาจของกิเลสเหล่านั้นซึ่งเราจะพบว่าก็กลายเป็นมารครบทั้งสามมารโดยครบทั้งกิเลสครบทั้งขันเอ่อทั้งกิเลสทั้งขันแล้วก็กลายเป็นบาปขึ้นมา การหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏตามแรงเหวียงของกรรมที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างมันก็กลายเป็นมานขนาดที่เป็นบุญมันก็เป็นมานระดับที่หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏแต่เป็นบาปนั้นเป็นมานที่เพิ่มความทุกข์ทันทัตรม า, านต่างๆจากการตกรบายตกไปในบ่ายเกิดในกำเนิดสายเทชานบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นเปรตบ้างตกนรกบ้าง วันจึงทรงสั่งสอนไ้ว่าอย่าได้กระทำสิ่งที่เป็นบาปเพราะบาปนั้นจะตามแผดเผาในภายหลังคือแผดเผาตั้งแต่ขณะทำด้หลังจะทำไปแล้วก็ตามเผาไปเรื่อย que. จนกลายเป็นผู้ที่ตกต่ำอยู่ในสงสารวัตรถ้ากิเลสมันมีความรุนแรงเช่นมีความเห็นเป็นมิจฉาทิฐิ ที่แรงก็จะปีกั้นกระแสของกุศลธรรมเอาไว้ทําไอตัวทําตัวเองให้ติดอยู่กับที่ไม่มีความเจริญเข้าวหน้าพัฒนาการนจิตใ จ, จที่ท่านเรียกว่าเป็นวัตถาโนคือเป็นหลักต่อของวัตตะไม่มีโอกาสจะสัมผัสผ ล, ผลที่สูงขึ้นไปได้ยิ่งกว่านั้นตาบเท่าที่เขายังไม่ลดละความผิดๆเหล่านั้นในส่วนที่เป็นบุญ เราดูแล้วถ้ามองจากบุคคลทั่วไปเรียกมองจากสายสามัญชนมันก็กลายเป็นบันไดที่ไต่ลํลาดับขึ้นไปโดยลาดับในชั้นนี้ที่สําคัญก็คือว่ายังมีสิ่งที่ดีกว่านั้นแล้วก็มีสิ่งที่ดีกว่าได้ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะการติดอยู่ในบุญระดับใดระดับหนึ่งมักกลายเป็น อุปรสรรคขัดขวางไม่ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือบุญนั้นเป็นวัตรกรมมีกุศลคือกุศลระดับที่ทำให้หมุนวนอยู่ในทั้งสารวัตรที่เรียกว่าวงเวียนไว้ตายเกิดพบชาติอาจจะประณีตยอย่างไรก็ตามแต่ว่ามัก็เป็นพบเบิ่นภพมันก็เป็นชาติ คือความเกิดเมื่อมีความเกิดกด็มีชรามีบารณะมีความทุกข์มีความโทมนัสคือกระบวนการของความทุกข์ทั้งหลายที่เราสวดสายารกรรมก็เกิดขึ้นแก่สรรพชีวิตทั้งหลายเพียงแต่ว่าจะเกิดมากหรือเกิดน้อยแรงมากหรือแรงน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีใครจะไม่ประสบกับความทุกข์หลบนั้นตราบเท่าที่ยังเป็นสังสารวัฏอยู่พ้นบุญจึงกลายเป็นมานระดับหนึ่ง คือระดับที่ทำให้ค้องให้ติดอยู่ในสังสารวัฏคือสังเกตว่าเป็นการมองจากจุดสูงสุดคือมองจากพระพุทธเจ้าการมองจากพระพุทธเจ้านั้นเราจะเอาสติปัญญาเราไปวินิจฉัยไม่ได้เพราะว่าใจเราไม่อยู่ระดับนั้นใจที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าพระพุทธเจ้านั้นมองสรรพชีวิตทั้งหลายในโลกว่าเป็นผู้ตกอยู่ในห้วงของความทุกข์ พอท่านอยู่ในโลกุตระเป็นสุดยอดของบรมธรรมแล้วขนาดพรหมโลกซึ่งใครๆก็อยากจะบังเกิดในพรหมโลกมันก็สงบดีมันก็สุข ด, ดีแต่พระเจ้ายังมองเห็นทุกข์ว่ามันยังต้องหมุนวนอยู่ในทั้งสารวัตรอันที่จริงสภาวะจิตที่เข้าถึงพรมธรรมหรือพรหมโลก กอใหท่านพุทธบริษัทลองสังเกตแล้วก็ฝึ ก, กจิตตัวเองให้อยู่โดยเมตตากรุณาโมติตาเบคาได้ตามทต้องควรกิริสนของอารมณ์ก็จะพบว่ากิเลสในขณะนั้นไม่สามารถจะเปลียดเลียนจิตใจเราได้ถ้าหากว่ายังมีพรหมมิหารธรรมอยู่ภายในใจจริงๆก็เป็นใจที่มีความสุขแต่ว่าเป็นความสุขที่แปรผันได้ สิ่งอะไรก็ตามที่ยังมีแกะมีการแปรผันได้สิ่งนั้นไม่ชื่อว่าเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนความสุขก็ไม่ใช่ความสุขแท้เป็นความสุขชุ่ครั้งชั่วคราวเป็นความสุขในลักษณะเป็นของยืมเข้ามาชั่วคราวในทีสุดก็จะแปรผันไปเนื่องจากเป็นการมองจากจุดสูงสุดแม้แต่พรหมโลกซึ่งเป็นภพชาติติปรณีตในระดับภพบชาติแล้วก็ถือภพชาติปรินี พระจาก็ยังมองเห็นว่าเป็นทุกข์จึงถือว่าเนญชาเปสังขารได้แก่อรูปฌานที่เป็นผลจากการปฏิบัติสมถะกรรมฐานผ่านขึ้นไปเรื่อยเรืเรียกว่าร ะ, ะดับระดับโลกิยะมันก็เป็นผลสูงสุดในทางจิตคือเป็นพัฒนาการทางจิตระดับสูงสุดเพราะเมื่อท่านมองจากจุดสูงสุดคือโลกุตระ สิ่งเหล่านี้นก็กลายเป็นมารเป็นตักขวางเป็นตัวประสรัปทำนองคล้ายๆกับเทียบของสูงของต่ำหรือของเล็กของใหญ่นการกําหนดว่าอะไรเล็กอะไรใหญ่มันขึ้นอยู่กับจุดที่เขาเทียบเคียงในแต่ละขณะดตะ่างันเราจะรู้สึกไปใหญ่เมื่อไปอยู่กับของเล็กแต่เราจะรู้สึกว่าเล็กเมื่อไปเทียบกับของใหญ่หรือของสูงของเตี้ยก็มีลักษณะที่เดียวกัน ผลสภาพจิตของบุคคลที่ยังเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิเลสหมายความภายในใจยังมีกิเลสอยู่ระดับหนึ่งก็ก่อให้เกิดเป็นขันขึ้นมาแต่ส่วนจะเป็นขันหยาบขันกลางขันละเอียดมันก็คือขันถ้ายังเป็นขันมันก็เป็นทุกเพราะว่าเป็นทุกข์กับขันถ้าขันก็ต้องทุกข์ทุกขันทุกมากหรือทุกน้อยนะเป็นเรื่อง ว่ากันอีกทีหนึ่งคือเป็นเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าขันแล้วก็ต้องเป็นทุกข์เพรา ะ, ะนั้นเราเจะพบว่าพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปโปรดพวกเศรษฉีมหาสารเศรษฐีบางท่านนั้นรวยจนไม่รู้จะว่ารวยยังไงอย่างพวกเครือญาติของนางวิสาขาทั้งหมดทั้งห้าท่านเนี่ยก็เป็นพวกที่รวยมาก แล้ก็ยงมี ม, มาหาเศรษฐีผู้ใหญ่ในกรุงราชครืออีกห้าท่านก็รวยเหลือเกินรวยจะไม่รู้จะว่าอย่างไรจะนับอย่างไงกันแต่ว่าท่านเหล่านั้นก็อยู่ในความทุกข์พระราชามหากษัตริย์ระดับผู้ใหญ่ระดับมหาราชทั้งหลายถูกคอมล้อมด้วยทรัพย์สนินคาร์ต่างๆเป็นอันอันมากสมบูรณ์ในราบยศสันเสริญความสุขแต่ว่าผู้จ้า ก, ก็มองว่าท่านเหล่านั้นตกอยู่ในความทุกข์ เนื่องจากเป็นการมองจากจุดสูงสุดดังกล่าวแต่ในทางปฏิบัตินั้นการจะลา ก, กิเลสประเภทต่างๆจุดแก้จริงๆนั้นท่านมามองที่ตัวกิเลสสมาร์ตเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกิเลสสมาร์ตเช่ตัวอย่างเราสามารถลดโมหะลงไปได้หมายความว่าใจก็มีอมโมหะคือความไม่หลง เวลาไปเกี่ยวข้องกับคนกัตรัย์กับสิ่งทั้งหลายอมโมหะก็คือความไม่หลงความไม่หลงก็คือปัญญาปัญญาก็คืออุเบกขาตัวปัญญานั่นเองก็จะมองสิ่งเหล่านั้นในแง่ของความเป็นจริงซึ่งการมองตามความเป็นจริงแล้วปฏิบัติให้เหมาะให้ควรที่จริงเราใช้กันอยู่ท่านทั้งหลายลองสังเกตกัรับเรารับประทานอาหารเนี่ยนะ บางครั้งก็ใช้ช้อนบางครั้งก็ใช้ซองบางครั้งก็ตั้งช้อนตั้งซองบางครั้งก็ใช้มีดบางครั้งก็ใช้มือก็เปลี่ยนแปลงมาได้ดีๆตามลักษณะของสิ่งนั้นๆที่เราจะต้องรับประทานในแต่ละขณะพร้นขันทั้งหลายหรือว่าชีวิตทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง ม, มันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการปฏิบัติไม่ใช่ว่าปฏิบัติในแนวใดแนวหนึ่งเพียงแต่ว่าตรงนั้นจุดนั้นควรจะใช้ธรรมะอะไรได้ โดใช้ธรรมะเหล่านั้นไปปัญญานั้นจะเป็นตัวสองเพรา ะ, ะไรเพราะว่าโมหะมันลดลงก็แสดงว่าใจมีอมโมหะเพิ่มขึ้นถึงหมายความว่มีปัญญามากขึ้นปัญญาก็กลายเป็นตัวคุ้มครองพอเจอก็ขันมันก็สามารถปฏิบัติกับขันเหล่านั้นได้ในกรณีที่เป็นคนยกตัวอย่างเป็นคนคนทั่วไปเราก็สร้างความรู้สึกเมตตา การสร้างความรู้สึกเมตตานั้นจะทำให้ใจถูกแผดเผาด้วยความโกรธน้อยขนมด้วยความพยาบาทน้อยลงเวลาเขาประสบความเดือดร้อนอยู่ในวิสัยที่จะช่วยได้เราก็ช่วยช่วยตามกบบาลังความสามารถที่จะช่วยได้พอเขารอบคน้นจากความเดือดร้อนเราก็ชื่นชมยินดีกับเขาก็มีมุทิตากับเขา มีปัญหาเป็นอันมากที่บุคคลหาเรื่องมาใส่ตัวเองเพราะเป็นนาโมหะเพราะเป็นโมหะคือความลงยู่นั่นคือการไปดีใจไปเสียใจในเรื่องนอกวิสัยมายความว่าดีใจกระทานั้นเสียใจกระทานั้นไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมานั่นก็คือความปิบัิเดือดร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากกรรมของบุคคลแต่ละคน ที่ถูกเรากําหนดว่ารักกับชังดังกล่าวนั้นจะสร้างความแปรผันนั้เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนเป็นนั้นมากทั้งฝ่ายคนที่เรารักและฝ่ายที่คนที่เราชังแต่เพราะใจมีปัญญามีอมโมุขาดอยู่พอถึงจุดนั้นเข้าแทนที่จะไปเดือดร้อนจะไปดีใจจะไปเสียใจก็ทําใจอยู่ด้วยอุบเบกขาทำพิจารณาตามกฎของกรรมได้ ความคิดจะเป็นบาปการพูดจะเป็นบาปการกระทำํำจะเป็นบาปก็ไม่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของขันธมารก็ลดลงไปสังขารธรรมที่เป็นอกุศลจะเกิดขึ้นปรุงจิตให้เราทําบาปก็ลดลงไปเพราะปริมาณของบาปนั้นมันเพิ่มขึ้นตามปริมาณของกิเลสถ้ากิเลสลด แสดงว่าอากูศุนทเจตสิกขึ้นปรุงจิตได้น้อยคือมีกำลังไม่มากเมื่อเกขึ้นปรุงจิตไม่มากก็แสดงว่าเราทำบาปได้น้อยข้อ น, นี้สามารถที่จะดูได้ในชีวิตประจาวันมีบางครั้งเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วก็อาจจะจิตช่วยไม้หรืออาจจะอ้าปากจะด่าจะทุบตีอะไรก็ตามต้องปวดแกกรนี้ มีเป็นอันมากที่ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะกิเลสไม่แรงต่อเนื่องการไม่แรงต่อเนื่องนั้นอาจจะเกิดจากสติสัมปชัญญะไปตัดกระแสกิเลสไ้ก็ได้หรืออาจจะเกิดจากตัวบุคคล น, นั้นเองที่เมื่อเราเข้าไปจะด่าหรือจะทุบตีเช่นจะลงโทษคนใช้ภาในบ้านนั่นคือไปเห็นหน้าตาเขาแล้วเกิดสงสาร อาการเหล่านั้นมื่เกิดสลายโทสะทําให้กําลังโทสะลดลงไปอาจจะเงื้อมือค้างหรืออาจจะไม่ทันยกมือหรืออาจจะตีลงไปแล้วแต่ก็ยั้งมือไว้ทันไปต้นนั่นเราเห็นว่าอาการเองกิเลสแก่ต้องไหลต่อเนื่องได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นให้บากปรกรรมไม่มีกําลังมากเมือ่อเมื่อไม่มีกําลังมากกรรมที่เป็นบาปมันก็น้อย ความเดือดร้อนก็จะน้อยตามไปตอนนี้เป็นเรื่องที่บุคคลสามารถปฏิบัติในชีวิตประจำวันคือหมายความว่าแม้เราจะศึกษาครบทั้งหมานหรือไม่ห้ามานก็ตามแต่ตัวการที่จะควบคุมจริงๆนั้นคือแก้ที่ตัวกิเลสสมานให้ลดกำลังของกิเลสเหล่านี้ลงไปอาจจะลดไม่ได้ต่อนเนื่องแต่พยายามลดไปเรื่อย ถ้าตัวนี้ลดความรุนแรงแล้วอย่างอื่นจะลดความรุนแรงลงไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการทิดมั่นถือมั่นในคนในสัตว์ทั้งหลายในสิ่งของทั้งหลายหรื ว, ว่าการกระทาที่เป็นบาปต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อแกมีกำลังน้อยแกจะเป็นอุปสรรคขัดขวางได้น้อยแล้วก็มีเป็นนามากที่เราสามารถชนะมาในบางช่วงบางขณะได้ ้าการเอาชนะได้มันก็กลายเป็นสภาพจิตที่หลุดพ้นจากอํานาจของมันซึ่งหมายความว่าหลุดพ้นจากตัวใดตัวหนึ่งมันก็หลุดพ้นพร้อมทั้งสามตัวเช่นสมมุติว่าหลุดพ้นจากอํานาจของการจิตมั่นถือมั่นในขณะนั้นๆซึ่งเขากําไำใจใครก่อคนนั้นก็รับกรรมกันไปในลักษณะที่ปร่งตกในอารมณ์ทั้งหลายได้ แสดงว่าในขณะนั้นกิเลสมีกําลังไม่มากพอที่จะปิดบังเหตุผลสติปัญญาของเร า, เาไว้ทําให้ความคิดและการกระทําที่เป็นบาปลดตามลงไปก็แสดงว่ากิเลสสมานก็อ่อนกําลังลงขันธมานก็อ่อนกําลังลงอวิสังขารมานก็ต้องอ่อนกําลังตามไปตรงนี้จึงเป็นกลายเป็นกระบวนการทางจิต หมายความสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดก็ทยอยกันไปหมายคามตะกิเลตแรงการยึดมั่นถือมั่นก็แรงการยึดมั่นถือมั่นถือแรงการกระทําก็จะแรงตะกิเลตอ่อนการยึดมั่นถือมั่นก็จะอ่อนการกระทําก็จะอ่อนเหตุผลสติปัญญาเขาเข้าควบคุมใจได้มากทําให้การบรรเป็นความดีในชีวิตประจําวันของบุคคลตัวอย่างเช่นในระดับของศีล ในดับกลุ่มของกิเลสกันนะกลุ่มของกิเลสนั้นไปนสังเกตว่าจะเป็นข้อใดก็าตามทัดแรงและก็เป็นอันตรายเพราะจะมีการล้างผลาญจะมีการเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นเพราะนั้นวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ใช้คุมกิเลสวิธีหนึ่งก็คือใช้คุมด้วยศีลดูไม่พูดถึงกิเลสเวลาพูดศีนั้นจะไม่พูดถึงกิเลสแต่ว่าด้วย กำลังของศีลที่มีอยู่นั่นเองจะลดละกิเลสลดบัณนทอนกำลังของกิเลสให้ลดน้อ ย, อยต่อยลงไปเช่นสมุทโโลกภะความโลภธาตแรงก็อาจจะออกมาในรูปของปร้นฆ่าจิงรั์ทำลายอย่างที่เป็นพฤติกรรมต่างๆกันนี่แสดงว่าแรงมากไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีสติปัญญาอะไรเขาควบคุมเลย แต่ถ้าแรงระดับที่รองลงมาก็สามารถที่จะสร้างความรู้สึกงดเว้นสัรวมระวังเวลาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทองกับบุคคอื่นได้มื่ก็กลายเป็นศีลจนถึงขั้นของการแสวงหาก็จะมุ่งให้ได้บาในทางที่ชอบทำบางท่านที่ความโลภมันก็มีแต่ว่าควบคุมเขาไว้ได้แตงถ้ามังมีกิเลสไหมก็มัน ม, มีกิเลส แต่ว่ากิเลสนั้นไม่ค่อยจะเป็นพิษเป็นภัยอะไร่ระดับโลกนะระดับโลกียะแต่พวกนี้ก็คงเป็นมารถ้าพูดถึงระดับสังสารวัฏคงเป็นมารทั้งหมดแต่ระดับโลกลแล้วก็อยู่ในระดับที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยจำลองคล้ายๆก็เกี่ยวข้องกับไฟแต่เราคงไฟไว้ได้ไฟก็ไม่เผาไหม้ไม่เป็นอันตรายของเราจิตใจที่เกิดกิเลกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่า มองให้ทโทษของกิเลสจะลดละไว้หรือปฏิบัติธรรมะที่เป็นตัวแก้กิเลสเหล่านั้นเช่ระดับศีลแก้กิเลสยังหยาบไม่ได้ก็แสดงว่ากิเลสสมานได้มีกำลังน้อยอกุศลเจตสิกเกิดขึ้นปรุงจิตได้น้อยทำให้คนเว้นบาประดับที่เป็นการละเมิดศีล หมายถึงระดับที่เป็นการเบียดเบี่ยนตนเองและเปียเ่ยนเปี่ยนคนอื่นนั้นก็ระ ง, งับไปได้อชนะไปได้แต่อาจจะยังมีการกระทําหรือความคิดที่เป็นการเปียนเปียนตัวเองอยู่ตอนนี้ก็ไปแก้ในระดับของสมาธิธรรมะทั้งหลายที่ทรงจําแนกแสดงไว้แม้จะกล่าวโดยนิยต่างๆก็ตามแต่พึ่งเข้าใจว่า เมื่อกล่าวถึงหลักการประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นเรื่องของการลดละความชั่วและการประพฤติปฏิบัติความดีในการละความชั่วประพฤติความดีนั้นบางครั้งไม่จำเป็นจะต้องพูดเรื่องละความชั่วก็ได้แต่พูดเรื่องบาเพ็ญความดีจากการบะเพ็ญความดีนั่นเองปริมาณความดีก็จะสลายความชั่ว คล้ายๆกับเรื่องของโลภะเราต้องการจะแก้กิเลสโลภะโมฆะหรือโทสะกันนะเรไม่พูดเรื่องเหล่านั้นแต่เราพูดเรื่องฐานเลความมีอัตยาใส่ไมตรีมีเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นพร้อมที่จะสงเคราะห์โนเคราะห์บุคคลอื่นอาการเหล่านี้เพื่สังเกตว่าการที่บุคคลคิดได้เช่นนั้นแสดงถึงปัญญาที่มีอยู่ภายในจิตใจ อัจฉิยสัยที่อบ้อมอารีมีเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นนั้นแสดงถึงธรรมะคือเมตตาซึ่งก็ทําหน้าที่ขจัดโทสะในช่วงแรกก็ขจัดโมหะช่วงที่สองขจัดโทสะมีการสงเคราะห์นุเคราะห์เพื่อกูลกับบุคคลอื่นได้ก็เป็นการขาจัดโมหะออกไปาการเคลื่อนไหวที่จริงก็พูดกันไม่กี่คําแต่เมื่อกุศลธรรมเขาบังเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่ตรงกันข้าม ก, ก็ต้องเสื่อม ต้องลดลงไปเพราะธรรมะนั้นจะแก้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนอยู่เสมอหรือตำนองคล้ายๆกับเราน้ําแข็งมาวางไว้ในจุดใดจุดหนึ่งในจุดที่มีน้ําแข็งปรากฏอยู่แล้วก็ในแวดวงที่ใกล้เคียงนั่นเองอากาศจะร้อนลดน้อยลงไปความร้อนจะลดน้อยลงไปทั้นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติอย่างนั้น กุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อบุคคลสามารถทำให้กุศลธรรมบังเกิดขึ้นมาในรูปแบบต่างๆัแล้วก็จะลดกาลังลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือลดพวกกิเลสลงไปทาให้สังขารขันที่เป็นอกุศลมีกาลังเพ่าลง การแสดงออกของบุคคลก็อยู่ในครองของกุศลมากขึ้นอกุศลก็จะลดน้อยถอยลงไปใจของบุคคลก็จะสัมผัสความสุขความสงบเพิ่มขึ้นได้ตามสมควรก่กา ร, รปฏิบัติตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป